สิ่งหนึ่งที่เราปรารถนาจะไม่ให้เกิดขึ้นกับชีวิตของเราเลยถ้าเราเลือกได้สิ่งนั้นคืออะไรส่วนใหญ่ก็คงจะเลือกความทุกข์นะชีวิตนี้ถ้าไม่มีความทุกข์เลยนี่มันจะวิเศษเพียงใดแต่ความจริงก็มีอยู่ว่าเราไม่สามารถที่จะ ดงนี้ความทุกข์ได้ไม่ว่าอยู่ที่ไหนเชื้อชาติภาษาใดหรือว่ามั่งมีแค่ไหนยิ่งใหญ่เพียงใดนะก็ไม่มีทางหนีความทุกข์พ้นเวลามีความทุกข์เกิดขึ้นกับเราที่จริงเนี่ยมันไม่ได้เกิดขึ้นกับเราโดยตรงนะส่วนใหญ่อาจจะเกิดกับทรัพย์สินเงินทองเช่นเงินหาย เงินที่ฝากไว้ในธนาคารนะถูกโกงเอาไปนะเพราะด้วยกลอุบายของแก๊งคอร์เซนเตอร์หรือบางทีก็มีเพื่อนที่ใกล้ชิดมากงเอาไปนี่ก็ถูกหรือว่าเกิดความเจ็บความป่วยร่างกายติดขัดบางทีไม่จะไม่ป่วยนะแต่ว่ามันไม่สวยไม่งาม เหมือนก่อนหรืออย่างที่คาดหวังอันนี้ก็ทุกนะแล้วเดี๋ยวนี้คนโยธรรมนี่ก็ทุกข์ไม่ใช่เพราะสุขภาพแย่นะแต่ว่าเป็นเพราะเรืนร่างนะมันไม่สวยงามอย่างที่หวังบางครั้งความทุกข์ก็มาในรูปของงานการที่มีปัญหาหรือหนักกว่านั้นคือตกงาน หรือต้องไปทำงานาที่ก็ถือว่าต่ำต้อยก็ทุกข์เนะรื่องหนักกว่านั้นคือความสัมพันธ์มันร้าวฉานความสัมพันธ์กับคนรักต้องเลิกทางกันหรือว่าคนรัก เกิดร่วมหายตายจากไปทั้งหมดนี้เนี่ยมันก็รวมมนสรุปที่ว่าเนี่ยต้องประสบกับสิ่งที่ไม่รักไม่พอใจพัดพลาดจากสิ่งที่รักที่พอใจรวมทั้งปรารถนาสิ่งใดไม่ได้สิ่งนั้นบางทีไม่ได้สูญเสียแล้วก็ไม่ได้เจอเคราะ แต่ว่ามันได้ไม่สมอยากนี่ก็ทุกนะแล้วคนเราเนี่ยพอเวลามีความทุกเนี่ยก็มักจะตีโพยตีพายโวยวายคร่ำครวญดีหน่อยนะก็พยายามที่จะหาทางแก้ทุกหาทางจัดการกับต้นเหตุแห่งทุก แต่จะดียิ่งขึ้นนะถาาว่าเราเรา ล, ลึกถึงธรรมะไว้บ้างแทนที่จะโวยวายตีโพยตีพายหรือคล่ำครวรนึกถึงธรรมะเอาไว้ส่วนใหญ่ไม่ค่อยนึกถึงกันนะถ้าจะนึกก็นึกถึงพระพุทธพระสงฆ์มากกว่าในบรรดาพระรัตนตรัยเนี่ยที่คนมักจะนึกถึงเวลาประสบทุกข์ก็คือพระพุทธกับพระสงฆนะ์น นึกถึงพระพุทธพระสงค์ก็หมายถึงเกจิอาจารย์หนะลวงปู่หลวงตาที่คิดว่าจะมีอํานาจดลบันดาลให้หายทุกข์ได้หรือนึกถึงพระพุทธเจ้านึกถึงพุทธคุณที่ประกอบด้วยอํานาจศักดิ์สิทธิ์อิจิลิปัติหามช่วยช่วยปัดเป่าความทุกข์หรืออย่างน้อยๆเนี่ยก็ ให้เป็นที่พึ่งภาของจิตใจอย่างคนส่วนใหญ่เนี่ยนะถ้าเป็นชาวพุทธเนี่ยเวลามีความทุกข์กไปวัดละไปหาที่พึ่งนะที่พึ่งก็คือพระพุทธกับพระสงฆ์แต่ไม่ค่อยนึกถึงพระธรรมเท่าไหร่นึกถึงพระธรรมอาบ้างก็จะช่วยนะทำไมถึงควรนึกถึงพระธรรมนะก็เพราะว่าถ้าเรานึกถูกนะมันจะช่วย ให้อย่างน้อยเนี่ยเราไม่ซ้ำเติมตัวเองเวลาเสียทรัพย์มันก็เสียแต่ทรัพย์นะแต่ว่าใจไม่เสียเพราะนึกถึงธรรมะนึกถึงธรรมะนี่ก็นนึกได้หลายแง่นะเช่นนึกถึงว่าเนี่ยมันไม่มีอะไรที่จีรังยั่งยืน ทุกอย่างมันก็ไม่เที่ยงทรัพย์สมบัติที่มีก็ไม่เที่ยงหยือนึกถึงความจริงว่ามันไม่มีอะไรที่เป็นของเราอย่างแท้จริงทรัพย์ที่มีก็อยู่กับเราเพียงแค่ชั่วคราวแล้ววันหนึ่งมันก็กลายไปเป็นอื่นไปหรือจะนึกถึงธรรมะในแง่ว่าสิ่งที่ผ่านไปแล้วนะ ก็ต้องรู้จักปล่อยรู้จักวางถ้าเสียทรัพย์แล้วยังไปยึดติดในทรัพย์นั้นมันก็ทำให้ทุกข์ใจเหมือนกับว่าใจนี่ถูกฉุดทรัพย์ไม่ใช่แค่เสียไปอย่างเดียวนะใจก็เสียแล้ววันนึงธรรมะเนี่ยมันก็ช่วยทำให้ไม่ซ้ำเติมตัวเองนะคือเสียแต่ทรัพย์นะ แต่ว่าใจไม่เสื่อหรือจะป่วยนะก็ป่วยแต่กายนะแต่ว่าใจไม่ป่วยด้วยก็เพราะนึกถึงธรรมะที่ว่าเนี่ยร่างกายเนี่ยมันก็ย่อมมีวันแปรเปลี่ยนไปมันย่อมมีวันเสื่อมมวันย่อมมีวันชาราหรือจะนึกไปถึงว่าเนี่ยมันไม่ใช่ของเรานะกายเนี่ย ที่ทุกข์ใจเนี่ยพไปยึดว่าเป็นเราเป็นของเราหรือไปยึดว่ามันเที่ยงเพราะพอนึกถึงธรรมะเนี่ยมันก็ทำให้เราได้สติเกิดปัญญาขึ้นมาหรือนน้อยเนี่ยก็เกิดความรู้สึกตัวขึ้นมาไม่จมอยู่ในความทุกข์ สามารถที่จะฉุดใจออกมาจากความทุกข์ได้กลับมารู้เนื้อรู้ตัวอันนี้ก็เพราะอ น, นิสงส์ธรรมะมันก็ช่วยทําให้ไม่ซ้ําเติมตัวเองบางครั้งเนี่ยเราซ้ําเติมตัวเองเสียทรัพย์ไม่พอใจก็เสียป่วยกายไม่พอใจก็ป่วยเวลาตกงาน จิตก็ตกไปด้วยอย่าว่าตายอะไรเลยนะแม้แต่รถติดเนี่ยก็ปล่อยให้จิตตกแล้วแทนที่จะเสียแค่เวลาก็มาเสียอารมณ์บางทีก็ระบายใส่ลูกใส่หลานใส่คนรักที่อยู่ใกล้ตัวบางทีก็เสียความสัมพันธ์กับอีกอันนี้เราว่าซ้ำเติมตัวเอง แต่ถ้าเรานึกถึงธรรมะนี่เรานึกเป็นนึกถูกนะัมันก็ไม่ซ้ำเติมตัวเองและยิ่งกว่านั้นก็คือมันเป็นการผ่อนหนักให้เป็นเบาผ่อนหนักให้เป็นเบาเพราะว่าถ้าปล่อยใจให้จมดิงไปเย่อความทุกขนะ์นสุขภาพก็ย่ำแย่ไม่ใช่แค่สุขภาพกายสุขภาพจิต ด, ด้วย ถ้าเรารู้จักนึกถึงหรือใช้ธรรมะบ้างเนี่ยหนักก็กลายเป็นเบาแม้แต่คนมาต่อว่าดาทอมันก็ไม่หงุดหงิดไม่หัวเสียไม่โกรธแค้นยังนอนหลับได้หรือดีกว่านั้นคือว่าเปยนร้ายกลายเป็นดีนะ ก็เพราะธรรมะนี่แหละความทุกข์เนี่ยนะมันก็กลายเป็นของดีได้อย่างหลวงพ่อท่านหนึ่งท่านบอกว่าเนี่ยคนดีนะใครปาขี้หมาให้ก็กลายเป็นดอกไม้คนดีในที่นี้เนี่ยก็ไม่ได้หมายถึงคนมีสีอย่างเดียวนะแต่รวมถึงคนที่มีใจดีมีสติมีปัญญาใครปาขี้หมาให้ก็กลายเป็นดอกไม้ เจอความเจ็บความป่วยก็ทำให้ได้เห็นสัจธรรมความจริงของสังขารของร่างกายหรือบางทีอาจจะไม่เห็นถึงขั้นนั้นแต่ว่าก็ทำให้ได้สติว่าเราควรใช้ชีตนี้เพื่ออะไรหลายคนอาจจะทำมาหาเงินจนล้มป่วย พอป่วยเข้านี่ก็หันมาสนใจธรรมะเพราะว่าเป็นโรคร้ายหันมาสนใจปฏิบัติธรรมนะทำกรรมฐานก็เลยพบถึงความสงบนะเป็นความสุขที่ไม่เคยพบมาก่อนแล้วก็รู้ว่าเนี่ยคือสิ่งที่ชีวิตต้องการแต่เรามองข้ามไป พบจุดหมายของชีวิตบางคนก็บอกเนี่ยพบชีวิตใหม่นะพ่ป่วยเป็นมะเร็งขอบคุณโรคมะเร็งขอบคุณที่เป็นมะเร็งนะี่ยพาอทำให้มาพบชีวิตใหม่บางคนที่เคยเครียดนะเพราะว่าธุรกิ จ, จเจ้าไงดีนะเพราะว่ามีธุรกิจร้อยล้านพันล้านเครียดนะ แต่ว่าพอป่วยเขามันได้คิดเลยนเนาะคนเราตายไปแล้วก็เอาไปไม่ได้เล้วอย่องนั้นคือตอนนี้ไม่ <c oughs> ตอนนี้ไม่ตายยังไม่ตายก็ไอ้เงินที่มีอยู่ก็ใช้ไม่หมดนะเราจะไปทุกนะกับเรื่องทรัพย์สมบัติเรื่องกิจการไปทําไมที่แรกก็ตัดสินใจไม่ได้ว่าจะขายอะไรดี แต่พอได้คิดแบบนี้ขายไปหมดเลยเหลือแต่กิจการแค่แห่งสองแห่งเอาไว้เลี้ยงตัวกับครอบครัวเวลาที่เหลือทำอะไรนะก็อยู่กับครอบครั ว, ม, วรมีเวลาเตืนสติมีเวลาออกกำลังกายมีเวลาชมนกชมไม้ทำสวนชีวิตที่มันเคยเร่งรีบ ก, ก็กลายเป็นชีวิตที่เนิบชาที่ก็สโลว์ไลฟ์ ชีวิตที่เคยรุ่มร้อนกลายเป็นชีวิตที่สงบเยนก็เพราะได้คิดนะในหลวงที่ป่วยนี่แหละในถ้าไม่ป่วยมันก็ไม่ได้ถึงความตายและพอไม่ได้ถึงความตายมันก็มันก็ยังหลงนะสิ่งฉาบชวยในทางโลกซึ่งล้วนแต่เป็นสมมุติทั้งนั้นบางคนก็เลยบอกขอบคุณนะที่ป่วยนะเพราะมันทําให้ชีวิตเนี่ยได้กลับมาพบสาระที่แท้จริง เรารูสามารถส า, สามารถจะหาประโยชน์จากความทุกข์ได้นะท่านาจารยพุทธทาก็บอกอยู่เสมอนะว่าความเจ็บป่วยนี่สามารถเตือนให้เราฉลาดได้ป่วยทุกครั้งนะก็ให้มันฉลาดทุกทีฉลาดในเรื่องของสัจธรรมความจริงเรื่องของสังขารที่ยังไม่ใช่ป่วยทุกครั้งเดียวนะสูญเสียทรัพยนะ์การงานล้มเหลว มันก็สอนสัจธรรมให้เรานะว่ามันไม่มีอะไรที่เราจะยึดมั่นถือมั่นได้เลยไม่มีอะไรที่เป็นของเราอย่างแท้จริงถ้ามองแบบนี้เนี่ยนะมันก็ได้ประโยชน์นะบางครั้งชีวิตเราเนี่ยเจอทุกข์มามากและบางครั้งก็อาจจะรู้สึกคับแค้นแต่เมื่อเวลาผ่านไปนะ เราขอบคุณความทุกข์ความยากอย่างผู้ชายคนหนึ่งเนี่ยนะลำบากตั้งแต่เล็กนะเ พ, พ่อเนี่ยไม่สนใจครอบครัวเลยปล่อยให้แมนะ่เลี้ยงดูลูกๆหลายคนลำบากมากก๋วยเตี๋ยวชามหนึ่งกินกันทั้งบ้าน6กเจคนตัวเขาเอางนี่ต้องดิ้นหลนหาเงินนะมาเลี้ยง ครอบครัวแม่น้องตั้งแต่เล็กตั้งแต่เรียนประถมมัธยมจึจนถึงหมหาวเทยาลัยต้องรู้จักหาเงินหาทองในระหว่างนั้นนี่ก็ก็มีเรื่องขัดแย้งกับพ่อเป็นประจำถูกพ่อตบตีบางทีเขาก็อยากจะต่อสู้รู้สึกคับแค้นมากทาไม ต้องมาเกิดในครอบครัวแบบนี้แต่พอเวลาผ่านไปเนี่ยเวลาผ่านไป2 0 3สปีเนี่ยเขากลายเป็นนักธุรกิจที่มีชื่อเสียงนะประสบความสำเร็จในการทำธุรกิจตอนหลังนี่ก็รับพ่อซึ่งป่วยเนี่ยมาดูแลเพราะยังมีความสำนึกในบุญคุณของพ่อ แล้ต่หลังเนี่ยเมื่อพ่อจะใกล้จะตายเนี่ยนะเขาก็กราบอกพ่อนะก่อนที่พ่อจะสิ้นลมแล้วก็บอกว่าเนี่ยเป็นพ่อป้าทําให้ผมมีวันนี้นะแทนที่จะเกลียดชังพ่อนะกราบขอบคุณเพราะการที่พ่อประพฤติตัวแบบเนี้ยทําให้เขาเนี่ยมีความเข้มแข็งทําให้เขารู้จักพึ่งตัวเองทําให้เขามีระเบียบวินัยทาให้เขา ต้องดิ้นรนขวนขวายในการทำมาหากินจนกระทั่งประสบความสําเร็จเขาขอบคุณพ่อนะขอบคุณพ่อที่ทําให้เขามีวันนี้คือวันที่เขาประสบความสําเร็จในธุรกิจแล้วก็หลบในชีวิตด้วยไม่มีความโกรธไม่มีความเกลียดไม่มีความมาฆาพเพยาบาทเพราะว่าสามารถที่จะมองเห็น นะคุณประโยชน์นะของการมีพ่อแบบนี้อันนี้ก็เป็นเรียกว่ารู้จักนะมองนะก็เรียกว่าใช้ธรรมะเนี่ยมาพิจารณาชีวิตที่ผ่านมามันก็ทําให้เห็นประโยชน์ของความทุกข์เห็นประโยชน์ความเจ้ลําบากให้ธรรมะที่มันช่วยได้นะมันไม่ใช่เพียงแต่ช่วยทําให้หนัก กลายเป็นเบาแต่มันช่วยทำให้ร้ายกลายเป็นดีด้วยดังนั้นเวลาเรามีความทุกข์เนี่ยนะก็อย่าแต่โวยวายตีโพยตีพายคนดาชะ า, า ก, กรรมหรือเอาแต่ไปวัดเพื่อสะดอกเคราะห์ไปกราบไปบูชาพระพุทธรูปวัดไหนที่ก็ถือว่าเนี่ย มีพ่ธทุลุศักดิ์สิ ก, กไปหลวงพ่อโสธรหลวงพ่อพุทุชนติชนราชอันนั้นก็ดีอยู่นะอย่างนั้นก็มีที่พึ่งทางใจหรือไม่ก็ไปกราบนะหลวงปู่หลวงตาเกจิอาจารย์หวังให้ท่านสะดอครอะห์ขตัดปัดเป่าก็ดีอยู่นะแต่ว่าอย่าลืมธรรมะแล้วกันเพรที่จริงเนี่ยไม่ใช่เฉพาะเวลาทุกข์นะที่เราควรจะนึกถึงธรรมะในยามสุขก็ควรจะนึกถึงธรรมะเหมือนกันนะ พอไม่งั้นเนี่ยมันทำให้เราหลงหลงระเริงประมาทเวลาประสบนะความสำเร็จมีโชคมีลาบนะนึกถึงธรรมะเอาไว้ว่าไอ้สิ่งเราที่มันไม่เที่ยงนะมันมีของชั่วคราวมีกับได้นะมากับหมดเจอกับจากพบกับพลากเลิก รักกับเลิกนี่มันคู่กันตลอดเลยสมหวังก็อย่าไปเพลิดเพลินดีใจเพราะว่ามันจะจะกลายเป็นผิดหวังในวันหน้าก็ได้ที่สมหวังในความรักเสร็จแล้วก็ต้องเลิกกันก็มีเยอะแยะที่ประสบความสาเร็จแล้วกลายเป็นล้มละลายก็มีมากมายถ้าไม่ไม่หลงละเลงหรือประมาทถึงเวลาเสื่อมเวลาเสียก็ไม่ทุกข์ หรือถึงแม้ในยามที่มันยังไม่เสือไม่เสียก็ไม่หลงตัวลืมตนจนกระทั่งไปเอาเปรียบเปียบเบียนคนอื่นคนที่ประสบความสําเร็จแล้วทําตัวน่ารังเกียจ น, นะเพราะว่าถือว่าฉันมีอำนาจจะทําอะไรก็ได้เงี้ยก็มีเยอะและสุดท้ายก็จบไม่สวยกันทุทกๆคนเลยเพราะความจริงเนี่ยศัจธรรมเนี่ยมันบอกแล้วว่าอะไรอรก็ไม่เที่ยง มีคราวหนึ่งนะพระองคุลิมานซึ่งบทหม่เนี่ยได้ไปสนทนาธรรมกับพระนันทิยะซึ่งภายหลังก็จะเป็นพระรหันต์องคุลีมานก็ถามพระนันทิยะว่าเนี่ยพระเจ้าสอนอะไรท่านบ้างพนันทิยะก็เล่าว่าเนี่ยพระเจ้าสอนอะไรบ้างแล้วก็มีประโยคหนึ่งมีข้อความหนึ่งพนันทิยะก็บอกว่าเนี่ย เมื่อผู้ใดสรรเสริญเยนยอเราหรือบูชาเราด้วยลาบสักการะให้จงถือว่าลาบสักการะนั้นเนี่ยเป็นผลแห่งความดีที่เราทําหรือเป็นเพราะเขาสําคัญว่าเราดีคือพนันทิยาเนี่ยพูดว่าเนี่ยลาบสักการะนี่ไม่ใช่เป็นเพราะเรานะไม่ใช่เพราะตัวเราแต่เป็นเพราะความดีที่เราทํา หรือเป็นพรอเขาสำคัญว่าเราดีนะไม่ใช่พระตัวเรานะอย่าไปหลงเนี่ยอันนี้ขยายความนะแล้ท่านก็บอกว่าผลแห่งความดีย่อมเป็นพิษแก่ผู้ไม่พิจารณาแล้วเพลิดเพลินหลงไหลติดยึดในสิ่งนั้นจนกลายเป็นประมาอันนี้เป็นธรรมะที่พึงพิจารณานะสำหรับคนที่ ประสบความสําเร็จจนได้รับคําชื่นชมสารเสิร์นได้โชคได้ลาบนะให้เ ล, ล, ลือระลึกว่าเนี่ยมันไม่ใช่เพราะเรานะแต่มันเป็นเพราะความดีที่เราทําคือถ้าไม่ทําก็ไม่ได้ไม่เกิดหรือเป็นเพราะก็สําคัญว่าเราดีไม่ใช่เพราะเราดีจริงนะอันนี้ไม่ใช่ความถ่อมตนนะแต่เป็นสัจธรรมและที่สาคัญคือท่านบอกเนี่ยผลแห่งความดีย่อมเป็นพิแก่ผู้ไม่พิจารณาแล้ว เพื่อเพอลิงหลายประมาทในสิ่งนั้นจนประมาทโดยแท้เนะพราะถ้าประมาทแล้วเนี่ยนะพุทธเจ้าตัดว่ามันเป็นหนทางของความตายนยามสุขเนี่ยไม่ได้หมายถึงเฉพาะเวลาที่ประสบความสาเร็จได้ราบได้สักการะนะอันนี้รวมถึงนยามที่เป็นหนุ่มเป็นสาวมีสุขภาพดีมีกาลาวังชาไม่เจ็บไม่ป่วย อันนี้ก็ถือว่าเป็นความสุขชนิดหนึ่งนะที่คนอาจจะไม่ค่อยตระหนักแต่ในยามที่เราไม่เจ็บไม่ป่วยนะในยามที่เรามีกาลังวังชาเนี่ยนั่นคือเวลาที่เราพึงเราลึกถึงธรรมะธรรมะจะสอนเราว่าเนี่ยซอกนึงเราก็ต้องแก่นะซอบวันนึงเราก็ต้องเจ็บต้องป่วยนะซอกวันนึงเราก็เดินเหินลาบาก เพราะนั่นอย่าไปเพื่อเพลินนะในความสุขหรือสุขภาพที่มีแต่เดียวกันก็ให้ให้รู้จักนะเตรียมตัวเตรียมใจไว้ในยามที่มันเกิดเจ็บเกิดป่วยเกิดแก่ชราเราก็ไม่รู้ว่าความเจ็บความป่วยมันจะเกิดกับเราในลักษณะใดจะต้องเตรียมมาไว้นะไม่ใช่แค่เตรียมตัวหรือทำประกัน จะ ต, ต้องเตรียมใจด้วยถ้าเกิดว่าถึงเราถึงวันที่เราเกิดต้องนอนติดเตียงเป็นอัมพาตหรือเจ็บป่วยด้วยโรครายรักษาไมห่หายไม่สามารถใช้ชีวิตเหมือนเดิมได้ไม่สามารถไปเที่ยวหรือแม้แต่ทางานทาการที่รักเราจะอยู่กับความเจ็บความป่วย ความแก่ชาราได้อย่างไรหลายคนเนี่ยพอแก่ชารานะแม้ไม่เจ็บไม่ป่วยนะแต่ว่ามีความทุกข์มากเลยทุกข์เพราะเหงาทุกข์เพราะว่าลูกก็ไม่สนใจเพื่อนก็นล้มหายตายจากไปทีละคนแล้วยิ่งเกิดคู่ครองเนี่ยตายไปนี่ยิ่งแยเข้นไปใหญ่ การที่คนบางคนเนี่ยมีคู่ครองที่ดีนะซื่อสัตย์รักกันสี่สิบห้าสิบปีเนี่ยถือเป็นโชคนะแต่โชคมันจะกลายเป็นเคราะห์ทันทีเลยเมื่อเขาจากไปหลายคนที่มีคู่ครองที่ดีแต่พอเขาจากไปนี่ชีพพันแปรไปเลยนะเสียศูนย์ไปเลยอันนี้เรียก่าโชคกลายเป็นเคราะห์แล้วมันก็เป็นธรรมดานะ ผู้เจาตัดว่าเนี่ยเรามีความสุขเพราะอะไรสิ่งนั้นก็สามารถทําให้เราทุกข์ได้สุขเพราะลูกสุขเพราะคู่ครองอันนี้ถือว่ามีโชคนะเพราะว่าเดี๋ยวนี้จะหาใครที่สุขเพราะลูกสุขเพราะคู่ครองนี่ยากแต่แม้กันนั้นเนี่ยสักวันหนึ่งเนี่ยนะความสุขก็จะกลายเป็นทุกข์ไปนะเมื่อเขาแปลเปลี่ยนไปเช่นเขาล้มหายตายจากไป คนส่วนใหญ่เนี่ยตอนที่มีความสุขเนี่ยพ่อลูกพ่อคู่ครองเนี่ยไม่ได้นึกถึงธรรมะไม่ได้นึกถึงวันที่เขาจะจากไปหรือไม่มีเขาพอเขาจากไปเนี่ยโ อ, องเลยนะไม่รู้จะอยู่ยังไงบางทีอยากจะตายตามไปได้วยซ้ำนี่เพราะว่าตอนที่มีความสุขเนี่ยไม่ได้นึกถึงธรรมะนะโดยเพราะ อันนีจังทุกขังอนัตตาแต่มันไม่ใช่แค่นั้นนะธรรมะหมายถึงว่าการรู้จักฝึกใจให้สามารถที่จะอยู่ได้แม้ว่าไม่มีใครเลยป่วยติดเตียงก็อยู่ได้บางครั้งเนี่ยในยามที่เราป่วยเนี่ยเราทำอะไรไม่ได้กับโรคแล้วแต่สิ่งที่เราทำได้นะันคือทำใจนะแต่ทำใจได้เนี่ยมันก็ต้อง นึกถึงธรรมะเป็นเบื้องต้นแล้วก็นึกถึงยังเดียวไม่พอมันต้องปฏิบัติ ด, ด้วยเรียกปฏิบัติธรรมหรือประพฤติธรรมจเจริญสติฝึกใจเอาไว้ในขณะที่ยังไม่เจ็บไม่ป่วยในขณะที่ยังมีความสุขในขณะที่ยังรันลากับชีวิตได้อย่าทิ้งอันนี้อย่าลืมอันนี้ธรรมะถ้าเราไม่ลืมธรรมะธรรมะก็จะไม่ทิ้งเราในยามที่ชีวิตมันพลิกผัน นะสุขมันกลายเป็นทุกข์ต้องนอนติดเตียงหรือต้องสูญเสียคนรักนะีพัดพลากจากสิ่งที่เคยมีสิ่งที่เคยให้ความสุขกับเรานะธรรมะจะไม่ทิ้งเราธรรมะจะช่วยกอบกู้จิตใจของเรานะให้ออกจากทุกข์ได้ฉั้นต้องนึกถึงธรรมะเอาไว้นะในยามสุขในยามที่ประสบความสําเร็จในยามที่ชีวิตเนี่ย อยู่กระแสอยู่ขาขึ้นไม่ว่าในทางสุขภาพในทางการงานในทางโลกผู้ง่ายๆใจไม่ทิ้งทมนึกถึงทมแล้วก็ปฏิบัติทำเอาไว้แล้วในยามทุกเนะี่ยธรรมะก็จะพาเราอาจจะออกจากทุกที่เกิดขึ้นไม่ได้แต่ทำให้เราอยู่กับทุกได้โดยใจที่ไม่ทุก